ปก่อนที่ประเทศจีนมีวัดหนึ่งเจ้าวาดเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากมีคนเคารพนับถือมากมายแล้ววันหนึ่งก็มีพระหมายรูปหนึ่งขอมาศึกษาปฏิบัติกับพระอาจารย์ท่านนี้พระหนุ่มรูปนี้เนี่ยเลือกไฟแรงมาก เป็นคนอยากรู้สนใจธรรมะอยากรู้ข้อธรรมต่างๆมากมายเพียงแค่มาได้วันสองวันก็มีเรื่องอยากจะถามพระอาจารย์มากมายเดียในเช้าวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่มาอยู่ได้แค่ไม่กี่วัน การที่ชันทหารอยู่กับอาจารย์ก็ถามข้อธรรมจากอาจารย์เรียกว่าพังพลูเลยนะจถึงถามว่าจิตของคนเรานี่เป็นอมตะหรือเปล่าแล้วร่างกายล่ะมันจะไม่ต้องเสื่อมสลายเสมอไปไหมแล้วคนเราเนี่ย ตายแล้วต้องเกิดใหม่จริงหรือเปล่าแล้วจะเกิดใหม่จะจำเรื่องราวในชาติที่แล้วได้ไหมและเป็นไปได้ไหมที่คนเราเนี่ยจะหลุดพ้นจากการเวือนว่ายตายเกิดอยากรู้อยากเห็นมากเลยนะแต่พอถามให้ทันจบเลยนะอาจารย์ก็ ขัดคอขึ้นมาเลยแล้วพูดว่าเนี่ยอาหารของท่านเนี่ยมันเย็นหมดแล้วนะเท่านี้แหละนะลูกศิษย์ก็ได้สติเลยนี่เป็นการนี่เป็นบทเรียนธรรมะที่สำคัญมากนะสำหรับลูกศิษย์เลยถึงที่อาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์ก็คือว่าขณที่กินอาหารอยู่เนี่ย ก็ให้สนใจอาหารที่กำลังกินนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแล้วก็สำคัญมากคือใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดอยากรู้อยากเห็นมันชักพาไป มีวัดหนึ่งนะในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงจึงดึงดูดพระหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาปฏิบัติกับอาจารย์เจ้าสำนักพระรูปหนึ่งเนี่ยเพิ่งซึ่งบวใหม่เนี่ยพอมา ปฏิบัติได้แค่วันสองวันก็มาแนะนำตัวกับเจ้าว่าแล้วก็ขอข้อธรรมคำสอนจากเจ้าว่าโปรดสอนสั่งธรรมะแก่ข้าพเจ้าด้วยนะอาจารย์ก็เลยถามว่า กินข้าวเสร็จหรื อ, อยังแต่แล้วครับเองั้นก็ไปล้างจานซะลูกศิษย์เนี่ยเพราะว่าพอเรียนเช่นนั้นก็บรรลุธรรมเลยนะธรรมะที่อาจารย์สอนนี่มันพื้นพื้นมากเลยนะกินข้าวเสร็จก็ไปล้างจานอันนี้มันเป็นหน้าที่เลยนะเป็นหน้าที่ที่ควรทากินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานอย่าโอเอ อาจารย์ลูกศิษย์ที่ก็ฉลาดนะก็รู้เลยนะว่าออสิ่งที่อาจารย์แนะนําก็คือให้อยู่กับปัจจุบันให้ใส่ใจกับสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือสิ่งที่จะต้องทําข้างหน้านั่นคือว่ากินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องทํามากไปก่อนนั้น ที่แรกน่ลูกศิษนี่คือโอ้ธรรมะที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องลึกซึ้งแต่จริงมันพื้นฐานมากเลยนะกินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานหรือขณะที่กำลังกินข้าวอยู่ก็ควรจะกินข้าวซะไม่ใช่มาคิดโน่นคิดนี่หรือถามโน่นถามนี่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยท่าน ตอนธรรมะข้อเดียวกันก็คือว่าไม่ว่ากาลังทำอะไรอยู่ก็ต้องใส่ใจกับสิ่งที่ทำนั้นแม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องพื้นพื้นเช่นกินข้าวหรือกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือล้างจานไม่ใช่ไปมัว โอเอหรือไปจมอยู่กับความคิดข้อสงสัยแต่สิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันจะาไปก็คือได้ความคิดที่ไรรวมทั้งอารมณ์ต่างๆด้วยอาจจะได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นข้อสงสัยอย่างเช่น ที่เกิดขึ้นกับพระใหม่องค์แรกนะมีเรื่องอยากรู้เต็ไมไปหมดเลยจนลืมกินข้าวหนระือบางทีอาจจะอยากรู้ธรรมะจากอาจารย์จนลืมรังจานธรรมะจากอาจารย์มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า ใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำหรือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำนี่คือการปฏิบัตินะหรือเพื่เต็มส่คือปฏิบัติธรรมบางทีเราคืด่อการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีความซับซ้อนนะหรือว่าต้องมีพิจีรีตอง จะต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งนะแต่จริงๆธรรมะพื้นฐานคือการทําสิ่งที่กําลังทําอยู่คือการใส่ใจกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ใชนันก็เป็นสิ่งที่สมควรทําแต่ว่ายังไม่ได้ทําำที่สมควรทํานี่ไม่ใช่แค่การกินข้าว ในขณะที่อยู่บนโต๊ะ อ, อาหารหรือว่าล้างจานเมื่อกินอาหารเสร็จแต่บางครั้งหมาจะหมายถึงว่าสิ่งที่มันมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปเพลิดเพลินกับความสนุกสนานเวลาที่กำลังสนุกสนาน มันไม่ได้แปลการมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาใจใส่อยู่กับสิ่งที่กาลังสนุกสนานเพราะเห็นว่ามันเป็นปัจจุบันนะบางคนนี่เข้าใจนะตีความการอยู่กับปัจจุบันไปในทางที่ว่ า, าที่เรากําลังสนุกสนานเฮฮาก็ก็ให้ใจอยู่กับความสนุกสนานเฮฮาเนะต็มที่ไปเลยเรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน อันนยังไม่ถูกที่เดินนะเพราะว่าถ้าหมกมุ่นกับความสนุกสนานจนลืมสิ่งที่ควรทำอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วสิ่งที่ควรทำอาจจะเป็นนะการทำงานการศึกษาหาวิชาวความรู้การดูแลผู้มีพระคุณหรือการฝึกจิตทําความดีสร้างบุญสร้างกุศล อันนี้คือสิ่งที่ควรทำแต่ว่าไม่ได้ทำนะเพราะว่ามัวแต่ไปเพลิดเพลินกับความบันเทิงเริงรมหรืออาจจะเป็นเล่นการพ น, นันการอยู่กับปัจจุบไม่ใช่ว่าเอาใจหมกมุ่นอยู่กับการพ น, นันหรือความสนุกสนานจนลืมสิ่งที่ควรทำชีพ่พเจ้าเนี่ยได้ตรัสใน วาระสุดท้ายนะของพระองค์ท่านที่เรียกว่าปาชิมโอวาดเนี่ยว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำปรีโยชน์ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรืท่านทั้งหลายจงทำความประมายถึงพร้อมเนี่ยในยะคือว่าให้เรื่องขนขวายทำสิ่งที่ควรทำอย่ามัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนาน หาเงินหาทองหรือหมกมุ่งกับงานการประกอบอาชีพจนลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและสิ่งที่แสวงหาจนหลงตัวลืมตนพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะนั้นเวลาพูดว่าท่านสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบัน ใส่ใจอยู่กับสิ่งที่ทำเนี่ยมันยังมีความหมายว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นควรจะเป็นสิ่งที่สมควรทำด้วยนะทามาไมส่สมควรทำก็ไม่ควรจะใส่ใจและสิ่งที่ไม่สมควรทำมันไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนานบันเทิงเริงรมจนเลยขอบเขตจนลืมสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่สมควรทำบางอย่างมัน ก็ <S <S เป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมด้วยเนะช่นขมโมยเนี่ยขมโมยจะเปิดตู้เซฟหรือว่าไปย่องเบาการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าต้องทำการย่องเบาให้มันดีที่สุดหรือว่าเอาใจอยู่กับการเปิดตู้เซฟรักขมโมยไม่ใช่นะ ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมควรทำมันเป็นบาปมันผิดศีลจึงไม่ควรทำตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าด้วยความโลภ ก, ก็เลยทำสิ่งนั้นแล้วก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นปรเภทว่ามีสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นแล้วจะเรียกว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่ เราต้องเข้าใจใถูกนะแม้ว่าการอยู่ปัจจุบันความหมายคือว่าทําอะไรด้วยใจเต็มร้อยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สมควรทําด้วยหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะไอ้สิ่งที่ไม่สมควรทําหรือว่าสิ่งที่เป็นศีลปิดธรรมเนี่ยก็ไม่ควรทําตั้งแต่แรกแล้วยังหมายถึงว่าเนี่ยเวลาทำเนี่ยนะอย่างที่บอกนะให้ทําด้วยใจเต็มร้อย วันนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะทำหลายอย่างพร้อมๆกันแม้บางอย่างจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทาหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยแม้สองอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่พอทำพร้อมกันแล้วมันก็อาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาได้เพราะว่าอาจจะทำให้ไม่รู้เนื ร, รู้ตัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็ได้ อย่างมีหมอคนหนึ่งเป็นนักกายภาพบาบัดนะเล่าว่ามีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงอายุยังไม่มากเลยตอนที่มาหาหมอเนี่ยในมือถือเครื่องกดจำนวนครั้งหมอก็ถามว่าถือทำไมเขาบอบกว่าตั้งใจจะสวดมนต์ให้ได้ประมาณสัก8ปดหมื่นสี่พันครั้งนะ ตามจำนวนพระธรรมขันธ์ก็เลยกดนะสวดจบหนึ่งก็กดครั้งหนึ่งบทสวดคงจะไม่ยาวนะโดยเพราะถ้าเป็นบทสวดแบบทิเบตเนี่ยหรือแบบมหายาโอมนีปัธรมหุมเนี่ยนโมเมียโหเรงเกียเกียวนี่ก็หนึ่งจบละอันนี้คนข้างนี้มาหาหมอพอเพราะว่า หกล้มบ่อยเนี่ยในช่วงไม่ถึงปีหกล้มมาหกครั้งแล้วแล้วก็ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหกล้มที่เดียวกันสามครั้งคือที่บ้านหมอก็ตรวจนะร่างกายคนไข้เนี่ยก็ดีหมดเลยนะกล้ามเนื้อขาการทรงตัวก็ดีหมดเลยแต่ทำไมหกล้มเยอะเพราะ ที่บ้านเนี่ยตรงตำแหน่งเดียวกั น, นหกมาหกล้มมาสามครั้งแล้วแล้วคนไข้กับเราเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยขณะที่กำลังเปิดประตูรถเพื่อลงจากรถเนี่ยก็ล้มหมอเลยถามว่าตอนนั้นเนี่ยสวดมนต์ใช่ไหมคนไข้ตกใจถามว่าหมอรู้ได้ยังไงหมอรู้ได้เพราะคนไข้เนี่ย ถ้าว่าขาที่ขับรถก็ดีหรือว่าขณะที่ลงจากรถก็ดีถ้าว่าส่วนมนต์อยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวกับการขับรถหรือว่าการลงจากรถแม้นก็ง่ายมากที่จะลม้มหมอก็เลยแนะนาว่าที่หลังเนี่ยเวลาขับรถหรือเวลาลงจากรถเนี่ย แหงก้อนสวดมนต์นะทำอะไรก็ให้ทำาอย่างมีสติด้วยความรู้สึกตัวนะให้ใจอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่กำลังทำเพราะว่านับแต่นั้นมานี่คนไข้นี่ไม่เห็นมีอาการหกล้มอีกเลยนะให้การสวดมนต์นี่เป็นของดีนะแต่ว่าถ้าสวดมนต์ไปด้วย ทำอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าทำให้ไม่มีสติอยู่กับการทำสิ่งที่กาลังทำอยู่อาจะเป็นการขับรถกินข้าวหรือว่ า, าพูดคุยกับคนหรืออาบน้ำนการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธศาสนามันง่ายๆเนีเริ่มต้นด้วยการที่เรามีสติอยู่กับสิ่งที่กาลังทำ ทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยจะเรียกว่าให้มีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้นะฝรั่งเนี่ยเขาพูดว่าเหยีย d น o w ที่นี่เดี๋ยวนี้นซึ่งมันก็เป็นหลักนะที่ง่ายมากนะในการปฏิบัติก็คือมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันหรืว่าไปแล้วเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่สิ่งที่กำลังทำนะสิ่งที่กำลังเกิดกับเราในปัจจุบันขณะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็คือรับรู้มันอย่างที่เราได้สวดอยู่บ่อยๆ บ, บทเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจ่นแจ้งไม่งอนง่ายคลอนแคลนข อ, นขอพวนพ่อพูนอาการเช่นนั้นไวพะเทก ร, ะรตะถาเนี่ย ผู้ใดเห็นทรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจำแจ้งคําว่าธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยท่านหมายถึงธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงสัจธรรมที่เกิดขึ้นหรือปรากฏเฉพาะหน้าท่า น, นั้นแต่หมายถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย เราก็ต้องเกี่ยวข้งองย่งถูกต้องคือว่ารู้หรือเห็นถ้าเป็นกิจนะถ้าเป็นงานที่กำลังทำที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็ให้ทำอย่างมีสติใจเต็มร้อยแต่ถ้าเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจในปัจจุบันก็ให้เห็นมันนะเห็นอย่างตั้งมั่นนะ เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น น, นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนขอควรพ่อบุณอาการเช่นนั้นไว้เขาว่าเห็นเนี่ยนะก็หมายถึงว่ารู้ทันเห็นความคิดเห็นอารมณ์ไม่เข้าไปเป็นหรือไม่เข้าไปจมอยู่ในความคิดแลือารมณ์นั้นคนเราเนี่ยพอมีความคิดเกิดขึ้นมันก็มักจะเผลอ ปล่อยใจหลายไปตามความคิดนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ปล่อยใจเข้าไปจมในอารมณ์นั้นหรือให้อารมณ์นั้นมันชักพาบงการจิตใจอารมณ์น่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์โศกเศร้าความโลภถ้ามันเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันลากลูกถูกกังใจเราส่งผลต่อการกระทาและคำพูดเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เห็นละมัน้าไปเป็นละ ทาสอเลยนะให้เห็นนะทำที่เกิดขึ้นเฉพาะไหนที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งนั่นการปฏิบัติการเจริญสติก็เพื่อ น, นี้แหละนะเพื่อเราได้เห็นไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่กําลังทําอยู่ด้วยใจเต็มร้อยหรืออย่างมีสติหรือด้วยความรู้สึกตัวเช่นอาบน้ํากินข้าวถูฟันเดินกลับไปกลับมาอันนั้นเป็นการกระทํา แต่ถ้าเป็นธรรมอารมณ์นะก็เห็นมันรู้ทันมันซึ่งก็มาถึงการที่เรานะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีการกระทบนะมีเสียงมากระทบหูหรือว่ามีรูปมากระทบตาเห็นใครบางคนได้ยินเสียงบางอย่างหรือมีอะไรมาสัมผัสกายเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ ความยินดียินไล่ความชอบความไม่ชอบความโกรธอาจจะเป็นความรู้สึกขัดใจหรือความติดใจรสชาติที่อร่อยก็ติดใจคมพูดที่ไม่ถูกใจก็ขัดใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาอันนี้ปุถุชนก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าหน้าที่เราคือเห็นมันอันนี้ก็เป็นงานนะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่ สำคัญมากซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไมไ่อยู่ที่ว่าเดินจงกรมได้บ่อยได้นานแค่ไหนไม่อยู่ที่ว่าการสร้างจังหวะทำได้อึดเพียงใดแต่มันหมายความว่าเนี่ยแม้จะไม่ได้เดินจงกรมแม้ไม่ได้สร้างจังหวะในแข่ที่เกี่ยวข้งของกับผู้คนมีอะไรมากระทบหรือเกิดผัดสั และมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เห็นมันนี่ก็คือความหมายของการอยู่กับปัจจุบันหรือปฏิบัติธรรมนะซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือมันเริ่มต้นนะเมื่อมีการกระทบหรือเมื่อเกิดผัสสะอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมของแท้ ในที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะในวัดเนี่ยหรือในสารปฏิบัติธรรมนี่อันนี้อาจจะเรียกเป็นการซ้อมนะยังไม่ได้เข้าสู่สนามหรือว่าสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงคือเมื่อมีการกระทบหรือเมื่อเกิดผัสสะแล้วมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เห็นมันถ้อาจารยพูดท่าตนน้นพูดว่าเนี่ย ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเมื่อมีผัสสะปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเนี่ยนะมันหมายความว่าอย่างไงนะก็หมายความว่ามืมีผัสสะแล้วเนี่ยมีสติมีความสึกตัว ทันทีที่ผัสสะเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆถ้าว่ามีสติขเขาสึกตัวเนี่ยทันทีที่เกิดผัสสะมีการเห็นเนี่ยมันก็มีแต่การเห็นนะแต่มไม่มีไม่มีผู้เห็นเมื่อเสียงกระทบหูเกิดการได้ยินก็มีแต่การได้ยินไม่มีผู้ได้ยินแต่คนเราเนี่ย ใหม่ๆเนี่ยจะให้มีสติประเภทว่าไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้ได้ยินเนี่ยมันยากแต่น้อยเนี่ยเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาความคิดเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธนะก็มีแต่อารมณ์นั้น แต่ไม่มีผู้ยินดีไม่มีผู้ชอบนะไม่มีผู้โกรธคือมันไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นอันนี้ก็ต้องใส่สตินะสติที่เห็นไม่เข้าไปเป็นมีความโกรธไม่มีผู้โกรธมีความยินดีไม่มีผู้ยินดีมีความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้คิดเนี่ยถ้า มาเห็นตรงนี้ได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยใจก็ยังเป็นปกติได้นะแท้ก็จะด่าว่ายังไงใจก็เป็นปกติจะร้อนจะหนาวยังไงใจก็เป็นปกติแม้มันจะมีความแม้จะเผลยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะแต่ว่าใจเป็นปก ต, ติตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดนะความก้าวหน้าของการปฏิบัติหรือความ หรือเป็นเครื่องวัว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่นะก็คือเมื่อมีการกระทบเมื่อเกิดผัสสะแล้วเนี่ยใจยงเป็นปกติได้ไม่ใช่พอมีใครพูดไม่ถูกหูมีใครนินทากระทบหูเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดมีเสียงดังมากระทบหูก็ไม่พอใจคนที่จิตใจเนี่ยกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเมื่อเมื่อมีผัสสะอันนี้ก็เรียกว่าอย่าง ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าไม่ได้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งนั้คํอว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่กำลังทำอยู่เท่านั้นแต่มันยังหมายถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องไหมเราเห็นทันเรารู้ทันไมหรือเราเห็นมาหรือเปล่านี่แหละคือการปฏิบัตินะที่สาคัญ ซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยมันไม่ต้องใช้ความรู้หรือว่าความคิดพิสดารอะไรมากมันเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายขอเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกเวลาให้ถูกกรณีก็แล้วกัน